คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 MHz มตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการโฆษณาวาไรตี้ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร์นัทวิพาศินสุวรรณและอาจารย์รัติการเจนจัดควบคุมการผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็กรอุ่นกนิษฐ์ทองเงาสร้างสารรค์และผลิตแรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฆษณาวอรริี้ค่ะ ออกาสทางสถานีวิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 ค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะในวันและเวลาแบบนี้นะคะที่จะสัญหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังค่ะอาจารย์นัทวิภาค่ะค่ะอาจารย์รัตติการนะคะเราทั้งสองคนมาจากสาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะสำหรับในค่ำคืนวันนี้เราก็อยากจะเชิญชวนไม่อ้อมค้อมนะคะขายตรงกันเลยทีเดียว <c oughs> ว่าดิฉันอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านถ้ามีเวลานะคะมาชมแล้วก็มาร่วมงานอาทีสร้างสรรค์นวัตกรรม62งานอะไรคะเนี่ย อันนี้เขาเรียกว่าภาษากรีกรเรียกว่างานโอเพนเฮาส์หรือเปิดบ้านราชมงคลทัญบุรีนั่นเองนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเราจัดทุกปีอยู่แล้ว ป, ป, ปีก่อนๆปีก่อ น, อนๆเราจะจัดในช่วงวันสถาปนามหาวิทยาลายัยก็คือช่วงเดือ น, นมกราคมแต่ว่าปีนี้พ <c oughs> ิเศษกว่าพิเศษกว่านั้นเราจะจัดขึ้นในวันที่ 4,5,6 หกรกฎาคมนี้ค่ะก็ทีนี้ภายในงานอุ๊ย Open h เ u s e เนี่ยเขามีอะไรบ้างคะโดยปกติแล้วนะคะ Open House เเนี่ยเขาจะจัดที่หอประชุมใหญ่นะคะก็คือแสดงนวัตกรรมแต่ละคณะว่าแต่ละคณะเนี่ยเปิดการเรียนการสอนอะไรมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะมาเสริมสร้างให้นักศึกษาของเราเนี่ยเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติของแท้ก็คื อ, อ, อถ้าเป็นทาหารก็ยูทูบ อ่ <YouTube S 2> <c oughs> ายุทโุปกรณ์แสดงแสญยานุภาพนะประมาณอย่างนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเอ่อทีนี้ทุกปีเลยนะคะเขาเขาก็จะจัดงานในหอประชุม ในหอประชุมก็จะมีแบบกิจกรรมทางวิชาการการแสดงนวัตกรรมอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ของคณะต่างๆนะคะทั้ง10คณะและ1วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งบางคณะเนี่ยเขาก็จะมีนวัตกรรมในลักษณะที่เป็นสินค้าที่ฉันชอบมากค่ะครีมอะไรพวกนี้นะ <laughs> ใช่ของกินของใช้ยังงี้ก็จะเป็นผลงานนะคะซึ่งบางอันเนี่ยก็เป็นผลงานจากนักศึกษาเนาะคิดคนแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาผลิตขึ้นมาหรือว่าบางชิ้นงานก็จะเป็นผลงานจากงานวิจัยนะคะที่อาจารย์ท่านนั้นทําหรือบางทีก็อาจารย์กับนักศึกษานี่แหละทําด้วยกันนะ<ช>ก็จะมีมาโชว์แล้วก็บางส่วนก็จะจะผลิตแล้วก็นํามาขายแต่ก็จะมีปริมาณจํากัดไงก็จะต้องไปแบบว่า แย่งกันสู้นิดหนึ่งของเขาดีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครีมมาแบบออนดีม n นออนดีมันแปลว่าผลิตตามออเดอร์คือคือบางอย่างต้องสั่งไว้ใช้ต้องสั่งไว้ล่วงหน้าและทีนี้ก็จะมีแบบอุตวัตกรรมเยอะแยะโดยเฉพาะมุมคาหกรรมนี่มีคนชอบมากค่ะ เคร่ากรรมของของกินเนี่ยดิฉันชอบเลยเดินเข้าไปนะแล้วก็ในในทุกปีเราก็จะเห็นนะคะอย่างคณะวิศวกรรมเกษตรอะไรยเงี้ยเขาก็จะมีลูกแพะลูกแกะลูกม้าที่เขาผสมพันธุ์กันมาแล้วก็ให้เด็กๆลูกกระต่ายอะไรเงี้ยให้เด็กๆมาจับเล่นดิฉันก็ไปจับมาเหมือนกันนะลูกกระต่ายก็นานๆทีอเพราะปกตินี่ไม่ได้มาไงคะก็จะมาแบบ นี่งาน Open House เนี่ยปีเนี่ยมาครั้งหนึ่งนะใช่ค่ะน้องแพ้น้องแกะเนี่ยทีนี้เรามาทราบวัตถุประสงค์กันดีว <laughs> ว่าเราจัดว่<ร>าเาจัดเป็นอะไรคะในทางเ ข, าเข้าสู่เนื้อหาแบบว่าเป็นวิชาการนิด น, นึงนะคะก็คืองาน Open House หรืองานเปิดบ้านเนี่ยโดยปกติแล้วเราจะเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปดูเข้าไปสำรวจว่าบริษัทเราเนี่ยมีอะไรบ้างมีนวัตกรรมอะไรมีโปรดักอะไรก็เอาง่า ย, ายเพื่อปชา สัมพันธ์องค์กรนั่นแหละค่ะว่าเรามีอะไรแต่ทีนี้เนี่ยในในทางกลับกันเนาะเราเป็นสถาบันการศึกษาเราก็อยากจะบอกให้อ่ากลุ่มเป้าหมายทางที่ที่ที่จะเป็นทางตรงก็คือตัวของนักเรียนที่อยู่มปลายเองเนี่ยได้ทราบว่าที่นี่เนี่ยเปิดการเรียนการสอนยังไงบ้างแล้วก็จะได้เป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆได้ไ ด, ได้ได้รับทราบด้วยไ ด, ได้ได้รู้ด้วยว่าเออจริ ง, รงๆแล้วเราต้องการอยากจะเป็นอะไรในอนาคต แบบนี้ค่ะคือมันก็เหมือนกับว่าพอแสดงวัตกรรมต่างๆเหล่านี้น้องๆพอเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาแบบเห็นอยู่เนี่ยแล้วเขาก็อยากเป็นแบบนี้มันก็สร้างแรงบันดาลใจให้เขามาสมัครเรียนแล้วก็พี่ๆน้องๆบรรยากาศมันอบอุ่นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะก็คือก็คือเป็นงานการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งสําหรับนักประชาสัมพันธ์องค์กรก็เรียกง่ายๆว่าเป็นเครื่องมือที่จะ เ, เป็นเครื่องมือและเป็นช่องทางที่จะสื่อสารนะคะไปยังคนที่สนใจนะอย่างของมหาวิทยาลัยของเราก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆมัธยมปลายที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อเพราะว่าแต่ละคณะเนี่ย ก็จะจัดกิจกรรมนะคะเป็นของคณะเขาเองว่าให้น้องๆมัธยมปลายเนี่ยรู้จักว่าถ้าสมมติว่าเรียนย ก, ยกตัวอย่างว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยแตกต่างจากเทคโนโลยีการศึกษายังไงเพราะบางคนก็อาจจะแบบไม่เข้าใจนะคะมีคำว่าเทคโนโลยีเหมือ น, อนกันเออเราก็ศึกษากับสื่อสารนี่ต่างกันหรือเปล่านะหรือว่าข้อกำรนดอย่างเงี้ยเรียนอะไรบ้างมีกี่หลักสูตรอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้ ปีนี้เนี่ยคณะของเราถือว่าไม่มาไม่ได้นะคะคุณปีนี้จัดยิ่งใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้มไว้เบรกสองว่าคณะเรามีอะไรแต่แต่วันนี้ขอขอขอเล่าต่อว่ากิจกรรมภายในภายในงานของเราน อ, นอกเหนือจากที่หองประชุมที่เขาจัดแล้วนะคะของมหาวิทยาลัยร้านด้านนอกปกติจะเป็นถนนสายวัฒนธรรมที่ตัวของนักศึกษ า, าในแต่ละคณะเนี่ยค่ะเขาก็จะมาจัดกิจกรรมจัดจัด เขาเรียกว่าอะไรขายสินค้าที่เป็นผลงานของนักศึกษาโดยตรงเช่นถ้าเป็นพวกศิลปกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีรูปวาดของตัวเองอะขายไม่่ใช่าวดหน้าตัวเองนะาวาดวาดรูปวาดวดรูปให้ราวใช่เราก็ไปนั่งเป็นแบบ ก็เป็นเราเป็นแบบให้ ừ, แล้วก็ให้น้องๆนักศึกอารเนี่ยสเก็ตภาพของเราออกมาใช่ค่ะแล้วก็หรือถ้าจะเป็นสื่อสารอย่างเด็กถ่ายภาพอย่างเงี้ยเขาก็จะมีภาพถ่ายสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะที่จะให้กับ เ, เขาเขาเามาขายให้กับผู้ที่มาร่วมงานอันนี้ถนนสายวัฒนธรรมแต่ปีนี้ถนนสายวัฒนธรรมก็แตกต่างไปอีกคือเขาก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับศิลปลวัฒนธรรมโดยเฉพาะจะจะจะไม่ ครกโครมตักไข่เกมปลาเป้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคเขาเขาก็าจะไ ม, ไม่ใช่งานวัดไม่ใช่งานวัดอันนี้คืองานวิชาการนะคะก็เขาเขาก็จะมีกิจกรรมตอนเย็นให้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมเขาก็แบ่งเป็นภาคเช้าก็คืองานในหอประชุมที่มหาวิทยาลัยเขาจะจัดงานส่วนภาคบ่ายเขาก็มีเ อ, อ้ไม่ใช่ภาคบ่ายค่ะภาคเย็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ถนนสายวัฒนธรรมที่ให้พี่น้องประชาชนที่อยู่รอบรอ บ, รอบรอบรั้วมหาวิทยาลัยแล้วกออ็ท่านอื่นเพื่อดูงานเสร็จแล้วก็แวะดูงานต่อได้นะคะและปีนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยของเราก็พิเศษกว่าเดิมเพราะทุกทีเนี่ยทุกคณะจะต้องไปจัดรวมกันที่หอประชุมแต่ น, นวัตกรรมมันเยอะไงมันไม่พอเพราะว่าหอประชุมคือดูคับแคบไปเลยปีนี้พิเศษมากก็เลยให้ไปจัดที่คณะแต่ละคณะ โอ้โหคิดูสิคะแต่แต่ไม่ต้องห่วงนะคะคือน้องๆพอเข้าไปในที่ที่ห้องประชุมเรียบร้อยแล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะไปดูว่าแต่ละคณะมีงานอะไรมหาวิทยาลัยมีรถไฟฟ้ารับส่ง นะคะว่าน้องๆจะไปที่คณะไหนบ้างซึ่งแต่ละคณะเขาก็จะจัดกิจกรรมไปไหนคณะซึ่งอันนี้ข้อดีคืออะไรรู้ไหมเวลาที่เขาจะเปิดห้องแลบปฏิบัติการแต่นี้เขาจะยกบางส่วนไปที่หอประชุมใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จัดที่ห้องเขาเลยจัดที่<จ> ะ, ะ เ, เด้เห็นทั้งหมดเลยใช่แล้วก็เดินวนกันอยู่อย่างนั้นนะคะว่าสุว่าไปคณะวิศวกรรมศาสตร์มีกี่สาขาเขาก็จะดูว่าแต่ละสาขาเรียนอะไรบ้าง ไปที่คณะวิทยาศาสตร์ดูอะไร เ, เรียนอะไรบ้างมีกี่สาขาและแต่ละสาขามีแลบยังไงคณะศิลปกรรมบางท่านอาจจะแบบน้องๆสนใจแฟชั่นหรือเปล่าสนใจปฏติมา ก, กรรมดิฉันก็ไม่ทราบมากนะคะปฏติมา ก, กรรมหรือแบบ รูปปัน้นรูปวาดอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเขาก็จะเห็นว่าเอ้ยแต่ละคณะเรียนอะไรนี่ั่งนี่ฝั่งแค่นี้รู้สึกว่าวันเดียวไม่พอนะไม่ไม่พอเขาถึงมี3วันใช่เพราะว่าบางทีเราสนใจสมมติตอนนี้ฉันเรียนมธัธยมปลายเงดิฉันก็นอกจากสนใจเกี่ยวกับเรื่องสื่อสารมวลชนแล้วเนี่ยอุติฉันก็สนใจบริหารด้วยนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็ไปสื่อสารมวลชนก่อนอีกวันก็ต้องไปแบบบริหารแต่บางทีก็อยอยาก ออกแบบแฟชั่นหรือว่าคากำบ้างนะก็ต้องไปคณะที่3าะเลยคากรมนี่เอ้มีอะไรเพราะไม่งั้นมีฟู้ดดีไซน์ด้วยหรือเปล่ามีแบบว่าเขาเขามีหลากหลายสาขาค่ะมีโภชนาการมีฟู้ดดีไซน์มีมีอะไรไม่รู้เยอะคือต้องดูเองต้องดูเองจริงยิ่งน้องๆมัธยมปลายเนี่ยบางทีแบบเราก็ไม่มีทางใครนะว่าตอนนี้ชันนี้ชันก็ไม่รู้จะถามใครเหมือนกันนะว่าเออแล้วมันมันต่างกันยังไงหรออย่างเช่น เรียนบริหารบัญชีกับการตลาดอะไม่เหมือนกันอยา ง, งรู้ว่าไม่เหมือนกันออแต่ว่าไม่รู้ว่าแล้วมันไม่เหมือนกันตรงไหนล้วจะถามใครดีอันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะ เ, ออเพราะว่าเราเดินเข้ามาถึงที่ที่เขาสอนนะเปิดการเรียนการสอนใน ในในบัญชีแล้วก็ในเรื่องของการตลาดแล้วถามได้เลยก็จะมีรุ่นพี่นะคะมีอาจารย์คอยแนะนำถามได้เลยเราก็จะได้กระจางเลยว่าเราชอบอะไรแน่เป็นการค้นหาตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการคัดเลือกนะที a คส ต, ต่างๆใช่ค่ะดิฉันก็ฝากจริงๆฝากถึงผู้ปกครองหรือว่าฝากถึงน้องๆที่สนใจจริงๆหรื อ, อ, อคุณพ่อคุณแม่ที่กาลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะว่าเออเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในสัปดาห์หน้านี้ก็ ให้น้องๆมามาเยี่ยมชมดูก่อนก็ได้ค่ะไม่ไกลเราไม่ไกลค่ะราชมงคลธั ญ, ญบุรีคลอง6นะคะก็วิ่งมาเส้นรังสิตนครนายกนะคะก็สังเกตค่ะว่าเลยทางด่วนถ้ามาจากทางรังสิตเนาะ ถ้าเลยทางด่วนของห้าแล้วก็ชิดสายไปเลยชิดสายไปเลยค่ะ <laughs> เข้ามามหาวิทยาลัยของเรานะคะแต่ภายในมหาวิทยาลัยก็อย่างที่อาจารย์รติการแจ้งไปนะคะว่าคณะต่างๆเนอะก็จะจะอยู่กันคนละตึกคนละมุมก็ไม่เป็นปัญหาค่ะเราก็จะมีบริการรถไฟฟ้ารับส่งค่ะ <c oughs> ไปได้หลายๆหลายๆคณะเลยค่ะวางแผนไว้ได้เลยว่าอยากไปคณะไหนบ้างทีนี้ก็จะบอกว่าโอ้ ของเรานี่ก็เตรียมการกันอย่างคึกคักมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยค่ะเราจะเปิดแลบทุกแลบที่ที่ เ, เป็นแล็บทางด้านในในหลักสูตรเนี่ยอย่างที่บอกนะคะในหลักสูตรของเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลักสูตรต่างๆนะคะเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับถ่ายภาพภาพยนตร์วิทยุโทรทศัทรศน์การพิมพ์โฆษณาประชาสัมพนันธ์มัลติมีเดียและดิจิลัลใช่ซึ่งแต่ละ แต่และหลักสูตรก็จะมี lab เนาะเพราะว่าเราเป็นมีนวัตกรรมอ่าเราเป็นเราเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างบัณฑิตนักปฏิบตัติเราจรึงมีห้อง lab นะคะให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะค่ะก็ ทีนีภ้ภายในงานของเราเองนะคะตอนนี้เราจะเปิดแต่ละสาขาค่ะเขาก็จะเปิดแลบหรือว่าเปิดห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาดูว่าแต่ละสาขาเรียนอะไรตัวอย่างเช่นนะคะสาขาเทคโนโลยีโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียนอะไรคะเรียนอะไรต้องมาดูนะคะแต่ว่าอ ย, า, อยากอยากจะบอกให้รู้ว่าพอคุณเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยค่ะ น่าดานเลยคือสาขาเราเป็นคนออกแบบและจัดกิจกรรมอีเวนท์ที่หน้าคณะนะคะตีมงานของเราวันนี้ควรจะบอกหรือไม่บอกดีคะควรบอกเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าจะเชิญชวนให้มานะคะตีมงานของเรานะคะหน้าคณะเราก็อยากจะบอกให้ทุกคนทราบว่าทุกคนสามารถแบบเอ่อก้าวเข้าสู่หรือว่าเดินเข้าสู่หนทาง แห่งดวงดาวฉันตีมของเราก็จะกลายนน เ, าเป็นเดอร์สตาร์ห <The S 1> รือเปล่าคะเดอร์สตใช่ค่ะตีมงานของเราก็จะเป็นลักษณะแบบ The The อเตอร o w าวโชว์ยอยู่นะตอนนี้ก็คือเราจะเป็นตีมงานแบบเ The เตอร์อันนี้นักศึกษาคิดเองนะคะคืออาจารย์เสนอไปแล้วนักศึกษาแบบไม่ใช่นี่เป็นงานของนักศึกษานักศึกษาต้องคิด<ม><า>เองก็เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเพราะฉะนั้นนักศึกษาขา เทคโนโลยีการโฆษณานและประชาสัมพันธ์ก็คือคุณต้องคิดงานมาเสนอกันเนี่แหละค่ะแล้วก็แบบ ม, มีมีหลายความคิดนะคะที่แบบว่าเอามาแชร์กันนะคะสุดท้ายเขาก็สรุปได้ว่าเขาอยากจะจัดเป็นธีมแบบต้องการให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนสำคัญเหมือนเดินอยู่ในพรมแดงคุณคือคนสำคัญของเราใช่แล้วกว็คุณเข้ามาดูสิว่าทีมงานของเราเนี่ยเป็นธีมแบบเดอะเทเตอร์ The แบบเป็นเดอะโชว์แล้วคุณเดินเข้ามาถ้วคุณจะเจออะไรบ้างนะคะตรงข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยจะบริหารจัดการโดยนักศึกษาเทคโนโลยีโฆษณาและประชาสัมพันธ์ แล้วเขาก็จะมีให้นักศึกษาเนี่ยได้เปิดโอกาสลงทะเบียนมีจุดเช็คอินว่าอุ้ยมาถึงแล้วนะสื่อสารแล้วก็ภายภายในงานเราก็จะมีโชว์ต่างๆของของนักศึกษาในคณะเราด้วยนะคะก็จะมีการแสดงมีการแสดงผลงานของนงักศึกษาด้วยมีจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อคุณผู้ฟังหรือน้องๆคนไหนที่สนใจในหลักสูตรต่างๆเราจะมีเอกสารแจกตอนนั้น แล้วก็ในระหว่างทางเราก็จะมีแผนที่ให้นักศึกษาเดินเฮ้ยให้ให้กับน้องๆเดินนะคะในนั้นก็จะมีแล b ของถ่ายภาพและภาพยนตร์อันนี้ก็น่าดูนะว่าในแลบของถ่ายภาพและภาพยนตร์เขาก็ทําอะไรกันบ้างใช่ค่ะอุปรกรณ์อะไรในนั้นเนี่ยเฮ้ยเขาทำเขางงจะโชว์ให้คุณดูด้วยว่าการเป็นนางแบบที่ดีหรือการเป็นแบบว่าอยู่เบื้องหลังการถ่ายภาพเราก็จะมีโอกาสเป็นนางแบบใช่ค่ะแล้วเขาก็จะเปิดห้องให้ทุกคนเนี่ยได้ อาจจะได้ทดลองได้ทดลองเป็นตากล้องดูสิใช่ดูสิว่ามือมันเข้ากล้องหรือยังมือเราเนี่ยถ้าเข้วมันนี่มันเรียนด้วยกันเลยมันแบบไม่ใช่อยู่จะถ่ายได้เลยนะใช่เขาก็จะต้องมีแบบจัดแสงยังไงแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูเลยว่าแต่ละห้องเนี่ยอุ้ยห้องนี้ถ้าจะจัดแบบนี้ต้องทํำยังไงเออถ้าดังแบบหน้าเหียวเนี่ยต้องจัดแสงยังไง แบบหน้าหน้าแบบหมายถึงพวกเราเหรอสมมติเราเป็นแบบแล้วแบบคือคือตัวแบบไม่ค่อยดีตแต่ต้องถ่ายให้ดีให้ได้แล้วทายังไงสวยนะคะก็มาดูกันใช่ค่ะแล้วก็ยาวไม่จึงไม่ใช่ยาวค่ะก็เดินเขาจะมีทางเดินให้เราเดินเข้าไปแบของเอ็มอ็ m มัลติมีเดียนะคะเขาก็จะโชว์แบบโอ้โหซีจง CG แล้วก็ว่าไปทำยังไงทำยังไงนะคะแบบว่า a n i m เมช o n ทำยังไงให้เคลื่อนไหวได้เคลื่อนไไหวุ้ยมีชุดมีอุปกรณ์อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะหรือทีวีทีวีคือเอ่อโทรทัศน์วิทยุเนี่ยค่ะเขาจะมีเปิดให้โอ้โหเขาจะเปิดสตูดิโอให้เราดูเลยนะคะก็คือชั้นหนึ่งกับชั้นสองห้องคอนโทรลอยู่ชั้นสองเดี๋ยวบอกว่าห้องคอนโทรลคืออะไรห้องควบคุมการออกอากาศใช่ค่ะห้องควบคุมการออกอากาศหรือห้องปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะคะก็คือเอ่อสำหรับ คุณผู้ฟังคนไหนที่ยังไม่เคยส่วนใหญ่แล้วไม่เคยไปหรอกว่าสตูดิโอเวลาเขาถ่ายทำเขาถ่ายยังไงเขาก็ข้างล่างก็ถ่ายไปข้างบนก็ควบคุมไปนะคะซึ่งเทคโนโลยีของเราเนี่ยโอ้เราลงทุนหลายสิบล้านนะคะเพื่อที่จะให้นักศึกษาได้เรียนรู้อันนี้สำหรับทีวีแล้วก็ต่อมาก็เป็นดิจิทัลมีเดียดิจิทัลมีเดียเนี่ยเขาจัดเวทีแสงสีเสียงเลยค่ ะ, ะเขาก็จะเชี่ยวชาญทางด้านแบบว่า การใช้เทคโนโลยีด้านแสงด้านเสียงเข้ามาเนาะอย่างว่าเวลาที่เราเห็นพวกคอนเสิร์ตอะไรแบบนี้ค่ะอู๋แ บ, บล็พิเดินออกมาปุ๊บมาในงานเราหรอคะไม่ค่ะงานอื่นอันนี้เราไปฝาเงาที่เราที่เราแบบว่าเอ้ยเราจัดคล้ายๆกันใช่เดินออกมาปุ๊บยกมือท่านี้ไฟต้องขึ้นยังไงอันนี้น่าสนใจมากนะคะก็เขาก็ยินดีทีนี้อีกสาขานึง ลืมไม่ได้เลยเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลระเบนจุพันเขามีโรงพิมพ์ของตัวเองแล้วเขาก็มีกิจกรรมพิเศษมามานำเสนอน้องๆด้วยนะคะก็คื อ, อหลายๆโรงเรียนอาจจะได้รับโปสเตอร์เชิญชวนเพื่อให้น้องๆเนี่ยเข้าประกวดหรือว่าเข้าร่วมแสดงผลงานประกวดออกแบบถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะยงคลิ้ง p a g i n g design เทรนด์มากตอนนี้เรื่องแบบภาวะ โลกร้อนกำลังเป็นปัญหาเลยนะใช่ก็เหมือนที่เรารดน้ำใช้ถุงผ้าใช่เมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะพูดถึงเรื่องการรณรงค์การลดการใช้พลาสติกหรือว่าลดโลกร้อนต่างๆเนี่ยค่ะพอดีเขาก็จัดกิจกรรมเขาก็ส่งโปสเตอร์ไปแล้วมีน้องๆตอบรับกลับมาแล้วด้วยนะคะซึ่งเ อ, อ น้องๆเขาก็ที่ผ่านการคัดเลือกค่ะเขาก็จะมานําเสนอผลงานของเขาคือวันสุดท้ายคือวันที่6กรกดาคมแต่ระหว่างนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีกิจกรรมอะไรนะคะเขาก็มีเหมือนกับทุกสาขาก็คือเปิดโอกาสให้น้องๆเข้าไปดูแล็บของเขาแล้ววันสุดท้ายเขาก็จะมีการจัดประกวดน้องๆ5ทีมสุดท้ายเนี่ยค่ะนําเสนอผลงานพร้อมนางแบบและนายแบบโอ้โหนี่ แล้วก็มีการตัดสินการประกวดมอบรางวัลโดยคณะบดีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะก็อย่าลืมคือระหว่างนั้นนะ่ะเขาเขาก็มีแสดงสาธิตการพิมพ์มเครื่องพิมพ์ u ูว<ม>นั่นแ เ, เป็นยังไงนั่นน่ะสิต้องมาดูนะการแสดงดนตรีและกิจกรรมบนเวทีก็จ ะ, ะะจะเป็นความสามารถของนักศึกษาใช่ค่ะแล้วก็ ในระหว่างนี้นะคะก็อาจจะมีของที่ระลึกโอ๊ยเดี๋ยวฉันยืนบอกไปว่าเรามีของที่ระลึกมาแจกหลังจากที่ทุกคนเช็คอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จ ะ, ะทุกหนึ่งชั่วโมงเขาจะมีการลุ้นรางวัลเกิดขึ้นรางวัลเป็นอะไรไม่บอกแต่ถ้ามาที่นี่ทุกคนน่ยได้ได้ของติดไม้ติดมือไปอยู่แล้วแต่เรามีรางวัลพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะมาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับค่ะก็เดินดูภายในงานก่อนเพราะว่าทุกๆ1ชั่วโมงนะมีลุ้นรางวัลเขาจะแจกพาสปอร์ต พาสปอร์ตนี้คล้ายๆกับแบบสมุดนำเที่ยวอะค่ะแล้วคุณก็สแตมป์นในแต่ละสาขาไปพอครบ6สาขาปุ๊บเขาก็จะมีของรางวัลมาแจกแล้วจุดเช็คอินปุ๊บเช็คอินและช่วยเขาตอบแบบสอบถามออนไลน์นิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาเหมือนกับหางบัตรอะไ <c oughs> ปยุ้นรนางวัลเขาก็จะแรนดอมเนาะในสมัยนี้ก็แรนดอมส่วนของน่ารักมากแต่อุบไม่บอกไม่บอกต้องมา ดูกันเองไม่ไม่แล้วเราทํามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะไม่มีขายที่ไหนไม่มีค่ะเป็นแบบว่าดีไซน์รูปแบบเดียวในโลกนี้ใช่ค่ะไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแล้วก็เก๋มากน่ารักมากนะคะซึ่งซึ่งเขาจะลุ้นทุกๆเอ่อหนึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้เล่ามาทั้งหมดลืมแ a บ ap หรือเปล่าคะแล้ว l a AP, ap ทําอะไรนี่เล่ามาทุกสาขาเลยเนาะว่าแ a บ ap ทําอะไรหลายท่านสนใจว่าเอ๊ะโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียนอะไรนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยค่ะงานนี้ทั้งงานเนี่ยงานเปิดบ้านราชมงคลที่ MCT หรือว่าคณะเทคโนิลยีสื่อสารมวลชนเนี่ย organize by AP ค่ะคือบริหารจัดการงานทุกอย่างโดย AP นะคะการจัด open house เนี่ยเราถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษรูปแบบหนึ่งนะที่นะักประชาสัมพันธ์ในองค์กรต่างๆก็จะใช้กันในหลักสูตรของเราก็จะมีรายวิชาที่นะักศึกษาต้องเรียนเรื่องของการจัด กิจกรรมไม่เสร็จอีเวนต์ออนะคะซึ่งบางบางมหาวิทยาลัยเห็นเลยนะว่าเปิดเป็นหลักสูตรนึงเลยนะเพราะว่าตอนนี้กําลังคิดมากหลักของเราเนี่ยเราก็เปิดสอนนะคะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้ของเรื่องของการจัดงานว่ากว่าที่จะเริ่มงานจนสุดท้ายปิดงานเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างนะคะแล้วก็นอกเหนื อ, อ, อจากนั้นในระหว่างที่เราเยี่ยมชมแลบต่าง ๆ, ต, างๆต้องบอกเลยว่าในทุกๆแลบ นักศึกษาในหลักสูตรโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็จะต้องเข้าไปใช้ด้วยเพราะว่าเราไม่ได้ทําโฆษณาสื่อเดียวเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วโฆษณาสื่อเดียวเข้าไปดูแล a p ของทีวีนะคะเราก็จะเห็นการถ่ายรายการของทีวีรายการหนึ่งสมมตินะแต่รายการนั้นเนี่ยถ่ายแล้วไม่มีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ใครจะรู้จักคะคุณเพราะฉะนั้นนักศึกษาเราก็จะต้องเรียนรู้ว่าถ้ารายการทีวีแล้วต้องมาทํางาน p ีให้กับรายการจะต้องทํำยังไงแบบนี้เป็นต้นนะคะก็ ที่เหลืออุบไว้ก่อนนะก็ต้องมา เข้ามาในงานค่ะแล้วก็สงสัยตรงไหนนะคะเราก็จะมีนักศึกษานะคะที่ที่เป็ น, นักศึกษาโฆาษณาประชาสัมพันธ์อีกแล้วค่ะที่จะแนะนำน้องๆ น, นะคะว่าแต่ละสาขาเรียนอะไรเพราะว่าเรามีวิชา presentation คือการนำเสนอเขาบอกว่าอุ้ยงานวิชาสัมพันธ์นี่ต้องสวยๆไม่คะนอกจากเราสวยแล้วเรายังมีเขาเรียกว่าอะไรนะคะมีความสา ม, มารถพิเศษในการบริหารจัดการอันนี้คือเป้าหมายของเราเลยที่เราจะสา ม, มารถจะ จัดการงานทั้งหมดให้เรียกว่าเป็นทักษะหนึ่งเลยนะที่เด็กหลักสูตรเราจบไปแล้วคุณต้องสามารถจัดงานได้คิดงานได้ก่อนคิดแล้วก็จัดงานได้แล้วถ้ามีปัญหาคุณแก้ไขได้นะคะฝากไว้ท่านใดสนใจนะคะ อาจารย์ริการย้ำอีกทีค่ะ ว, ว่างานจัดวันไหนถึงวันไหนนะคะค่ะงานอาทีสร้างสรรค์ น, นวัตกรรม62นะคะเราจัดระหว่างวันที่4ถึง6กรกฎาคม2562นี้นะคะหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งที่ส่วนกลางก็คือตรงห้องประชุมแล้วก็แต่ละคณะนะคะก็จะแสดงนวัตกรรมให้อ่อ ผู้ที่สนใจนะคะเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะเชิญชวนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะค่ะแล้วก็พบกับเราสองคนนะคะที่งานเลยค่ะใช่ค่ะเราก็จะอยู่ในงานเราจะไม่ไปไหนเรารอแจกไลเซนต์บางคนบอกว่าได้ยินแต่เสียงไม่เคยเห็นหน้าพอเห็นหน้าแล้วบอกว่าขวยขอได้แต่เสียงก็พอ สวยเกินคาดอย่างนี้ก็มาพบกันในงานนะคะก็ฝากไว้ค่ะสำหรับงานอาทีสร้างสรรค์นวัตกรรม6กนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีนะคะของ6ปทุมธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราทั้งสองคนหมดแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการโฆษณาวารตีสร้างสรรค์และผลิตรายการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี